วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หกุมภาพันธ์พุทธศักราช2566เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่เป็นที่พึ่งทางใจถ้ามีที่พึ่งทางใจความทุกข์ทางใจก็จะไม่เกิดแต่ถ้าไม่มีที่พึ่งทางใจความทุกข์ทางใจก็จะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆการได้เข้าถึงพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีได้พบกับพระพุทธเจ้าเองก็ดี หรือได้พบกับพระ อ, อริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเองก็ดีการได้พบพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์นี้ <c oughs> องค์ใดองค์หนึ่งก็ถือว่าได้เข้าถึงพระรัตนเข้าถึงสาระเข้าถึงที่พึ่งทางใจได้เหมือนกันสมัยพุทธกาลก็มีพระพุทธเจ้า ทรงเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการวิธีดับความทุกข์ทางใจต่างๆต่อมาก็มีพระอริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้าที่ได้ช่วยเอาวิธีการดับความทุกข์ทางใจนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายหลังจากนั้น พระพุทธเจ้าก็ส่งจากไปก็มีพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการจดจําและได้มีการบันทึกเอาไว้ในพระคมพีที่เรียกว่าพระไตรปิฎกนี่ก็เป็นที่พึ่งทางใจได้เราสามารถที่จะเข้าหาที่พึ่งทางใจได้สามทาง แต่ตอนนี้ก็เหลืออยู่สองทางก็คือทางพระธรรมคาสั่งคาสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระอริยสงสากทั้งหลายทั้งที่ท่านที่ได้จากโลกนี้ไปแล้วแต่มีคำสั่งคำสอนได้มีการจัดพิมพ์เป็นหนังสือหรือบันทึกไวเป็นเสียง ให้ได้ศึกษาให้ได้ยึดเป็นที่พึ่งได้หรือไม่ฉะนั้นก็ยังมีพระอริยสงสาวกที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ยังให้ความรู้เกี่ยวกับการวิธีการดับทุกข์ทางใจได้อยู่ก็เป็นทางเลือกของสาธุชนพุทธบริษัทผู้่ใฝ่ธรรมผู้ปรารธนา ที่จะมีมีที่พึ่งทางใจที่จะได้เข้าถึงได้ถ้ามีพระธรรมคำสั่งคำสอนเข้ามาอยู่ในใจแล้วใจจะมีเครื่องป้องกันความทุกข์ mm. เ, เหมือนกับที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีเสื้อกลาะไว้สวมใส่เวลาไปปฏิบัติ หน้าที่แล้วถูกถูกยิงด้วยกระสุนก็จะไม่เข้าไปในร่างกายเพราะมีเกราะเสื้อการกุศลการการกุศการกระสุนสวมใส่อยู่กระสุนก็จะติดอยู่ที่ที่เสื้อหุ้มเกราะนี้จะไม่เข้าไปถึงร่างกายฉันใดใจของผู้ที่มีพระธรรมคำสั่งคาสอน อยู่ในใจแล้วก็จะเหม็นเหมือนเหมือนกับมีเกราะคุ้มกันความทุกข์ต่างๆไม่ให้เข้าไปเบียดเบียนใจได้ไม่ให้เข้าไปสร้างความทุกข์สร้างความทรมานให้แก่จิตใจได้เหตุการณ์เลวร้วายขนาดไหนก็ตาม <c oughs> <c oughs> เมื่อเกิดขึ้นแล้วนั้นสําหรับผู้ที่มีที่พึ่งทางใจนี้จะไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใด จะเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะใจจะเป็นปกติเหมือนกับตอนที่ยังไม่มีเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับบุคคลต่างๆเหตุเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับร่างกายของเราเช่นความแก่ความเจ็บความตาย เหตุการณ์เหล่านี้สำหรับผู้ที่มีพระรัตนตรยัยมีที่พึ่งทางใจจะไม่เดือดร้อนเพราะจะรู้จักวิธีที่จะปฏิบัติกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ได้อย่างอย่างปลอดภัยปลอดจากความทุกข์ทั้งหลายนี่คือคุณประโยชน์ของพระรัตนตรยัย ของพระพุทธศาสนาเป้าหมายหลักของพระพุทธศาสนานี้มีไว้เพื่อสอนวิธีการดับทุกข์ทางใจเท่านั้นไม่ได้สอนให้ไปร่มรวยให้ไปเจริญทางลาบยศสรรเสริญทางความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายแต่อย่างใดเพราะความเป็นจริงแล้วลาบยศสรรเสริญ และความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกลางนี้นี่แหละเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจใจที่ไม่ฉลาดถ้าได้ไปสัมผัสกับลาบยศสละเสริญสุขแล้วก็จะเกิดเกิดความอยากเกิดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นอยากจะให้เจริญในลาบยศสละเสริญสุขไปตลอดเวลา โดยที่ไม่เห็นสภาพความเป็นจริงของสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าอยู่ภายใต้กฎของตายรักก็คือเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเจริญได้ก็มีการเสื่อมได้เป็นธรรมดาเช่นมีลาบเจริญลาบได้ก็เสือเส่อมเสื่อมลาบได้มียศเจริญยศก็ต้องเสื่อมยศมีสรรเสริญก็ต้องมีนินทา มีสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องมีทุกทางตาหูจมูกลิ้นกายตามมาเสมอเพราะนี่คือธรรมชาติของสภาวะธรรมเหล่านี้เขาอยู่ภายใต้กฎตายรักคืออนิจจังไม่เที่ยงไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงมีการขึ้นมีการลงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาแล้วก็เป็นอนัตตา คือไม่เป็นสิ่งที่จะควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใดได้ถ้าผู้ใดมีความอยากให้สิ่งเหล่า น, นี้เป็นสิ่งที่ทเที่ยงแท้แน่นอนเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมานี่แหละเหตุของความทุกข์ใจของผู้ที่ได้ไปสัมผัสกับลาบยศสารเสริญสุข ที่คิดว่าจะให้ความสุขเพียงอย่างเดียวแต่กลับต้องไปเจอความทุกข์กับลาบยศสารเสริญสุขก็เพราะว่าเกิดความอยากนั่นเองเกิดความอยากที่จะให้ลาบยศสารเสริญสุขนี้มีแต่เจริญอยู่เพียงอย่างเดียวไม่ให้เสื่อมไม่ให้มีวันสิ้นสุดลงแต่มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ตามหลักความเป็นจริงของสภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวงดังที่พระโสดาบันจะเห็นกันว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับแม้แต่พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกแต่ละพระองค์ก็ต้องมีการสิ้นสุดลงมีการดับไป เพราะว่าร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ดีร่างกายของพระอาหารหันตสาวก็ดีล้วนอยู่ภายใต้กฎของตายรักเช่นเดียวกันต่างกันทรงที่ว่าพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันนี้ท่านมีธรรมมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเป็นสิ่งชั่วคราว มีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไปเป็นธรรมด า, าใจท่านก็เลยไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอ ร, รู้ว่าความทุกข์ใจนั้นเกิดจากความอยากนั่นเองอยากให้อยู่ไปนานๆอยากให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้ไม่ตายอันนี้แหละเป็น สาเหตุของความทุกข์ทรมานใจถ้าไม่มีความอยากเหล่านี้แล้วใจก็จะไม่ทุกข์กันแต่การที่จะหยุดความอยากเหล่านี้ได้นั้นจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนใจให้ลดละความอยากต่างๆไปเพราะว่าถ้ามีความปรารถนาอยากจะละความอยาก แต่ถ้าไม่มีการปฏิบัติในการลากความอยากความอยากก็จะไม่จะไม่หายไปจะไม่หยุดไปจึงจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาวิธีการดับทุกขจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระธรรมคําสอนหรือจากพระอริยสงสาวกเมื่อได้ศึกษาวิธีการดับความทุกข์ทางใจแล้ว ก็ให้นำเอาไปปฏิบัติเพราะว่าการเรียนรู้เฉยๆนี่ยังไม่สำเร็จประโยชน์ยังไม่สามารถทำให้ความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจนั้นหมดสิ้นไปได้จำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติละความอยากต่างๆทุกครั้งที่เกิดความอยากขึ้นมานี้จำเป็นที่จะต้องหาวิธี ยับยั้งดับความอยากต่างๆให้ได้ถ้าดับความอยากต่างๆได้ใจก็จะไม่ทุกข์ความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากถ้าไม่มีความอยากใจก็จะไม่ทุกข์ความเสื่อมของสภาพของสภาวะธรรมทั้งหลายเช่นร่างกายเช่นลาบยศสรรเสริญสุขนี้ <c oughs> จะไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจได้ เพราะสภาวธรรมต่างๆเขาไม่ได้เป็นเหตุที่ทําให้ใจทุกข์แต่เหตุที่ทําให้ใจทุกข์ก็คือความอยากของใจที่อยากไปให้สภาวธรรมทั้งหลายไม่เสื่อมอยากให้สภาวธรรมทั้งหลายเป็นนิจจังสุขขังอัตตาโดยอยากจะให้เป็นของถาวรอยากให้ร่ํารวยไปตลอดอยากให้เป็นใหญ่เป็นโตไปตลอด อยากให้มีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะเพไปตลอดอยากให้มีสมบัติอะไรก็อยากจะให้เป็นสมบัติของตนไปตลอดไม่ให้มีวันสิ้นสุดอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่นี้ให้ความสุขกับใจแต่มันขัดกับหลักธรรมความเป็นจริงของสภพาวธรรมต่างๆเหล่านี้เพราะว่าสภาวธรรมทั้งหลายท้อไม่เที่ยง เขาไม่ใช่เป็นนิจจังเขาเป็นอนิจจังเขาไม่สุขขังเขาเป็นทุกขังเขาไม่ได้เป็นอัตตาไม่ได้เป็นของของเราเขาเป็นอนัตตาเช่นร่างกายนี้ก็ไม่ได้เป็นของเราเป็นอนัตตาเป็นของธรรมชาติเป็นของธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟที่มารวมตัวกัน แล้วในวันหนึ่งก็จะต้องมีการแยกตัวกันไปเป็นธรรมดาไม่มีใครไม่มีร่างกายของใครในโลกนี้ที่จะไม่มีวันวันดับไม่มีวันตายกันร่างกายของทุกคนที่ฟังเทศฟังธรรมอยู่ในขณะนี้ก็จาเป็นจะต้องไปเจอวันสิ้นสุดในวันใด ว, วันหนึ่งอย่างแน่นอนไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เพราะนี่เป็นธรรมชาติของร่างกาย ที่จะต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติแต่ความตายของร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายความแก่ของร่างกายนี้ไม่ได้เป็นตัวที่ทาให้ใจทุกข์กันตัวที่ทำให้ใจทุกข์ น, นี้คือความอยากของใจเองที่ไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ร่างกายไม่เจ็บร่างกายไม่ตายเท่านั้นเองถ้า เวลาที่เกิดความแก่เกิดความเจ็บเกิดความตายแล้วสามารถทําใจไม่ให้เกิดความอยากได้ใจก็จะไม่ทุกข์นึ่งเป้าหมายของการศึกษาของการปฏิบัติก็เพื่อมาทําใจให้นิ่งให้เฉยกับสภาวธรรมทั้งปวงไม่ให้ไปยินดียินร้ายไม่ให้ไปรักไปชังไปกลัวไปหลงไปคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา ความคิดหลงที่ไปคิดว่าเป็นเราเป็นของเรานี้แหละที่มันทำให้เราเกิดความอยากขึ้นมาอยากให้ของที่เป็นของเรานี้ให้ความสุขกับเราอยู่กับเราไปเรื่อยๆอันนี้คือความหลงพออะไรไปคิดว่าเรามีอะไรเป็นของเราแล้วมันจะเกิดความอยากขึ้นมาอยากให้อยู่กับเราไปนานๆเป็นของเราไปนานๆให้ความสุขกับเราไปนานๆ ความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันอยู่กับเราได้ชั่วคราวเป็นของเราได้ชั่วคราวให้ความสุขกับเราได้เพียงชั่วคราวแล้วไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจากเราไปถ้าเราไม่ไปมีความอยากให้เขาอยากเป็นของเราไปตลอดอยู่กับเราไปตลอดให้ความสุขกับเราไปตลอดเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา พระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกนี้ท่านเข้าใจหลักของความทุกข์ใจว่าเกิดจากความอยากของใจเองท่านก็เลยมาปฏิบัติเพื่อมาควบคุมความอยากมาหยุดความอยากของใจให้ได้ถ้าหยุดความอยากของใจได้ใจก็จะอยู่ในความสงบใจก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนเวลาที่เกิด ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเกิดขึ้นมา mm hmm. เพราะว่าความอยากนี้ท่านสามารถยับยั้งได้หยุดมันได้ด้วยการปฏิบัติดัง mm hmm. นั้นสิ่งที่ผู้ที่ต้องการที่จะดับความทุกข์ใจนี้ต้องมาดับที่ความอยากของใจเพราะความอยากของใจเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจ ไม่ใช่สิ่งต่างๆไม่ใช่ความเสื่อมของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ความเสื่อมของลาบยศสารเสริญสุขความเสื่อมของตาหูจมูกลิ้นกายยงนี้ไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจเหตุที่ทำให้เกิดความทุ ก, กข์ใจก็คือความอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ใจไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นให้ไม่ให้เสื่อมให้อยู่ไปตลอด นี่คือสิ่งที่ผู้ต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะต้องที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่สร้างความทุกข์ทรมานให้กับใจนี้ไม่ให้ปรากฏขึ้นมาในใจได้ถ้าศึกษาวิธีการปฏิบัติลดละความอยากต่างๆพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนการลดละความอยากไว้3ามระดับด้วยกันระดับแรกก็เรียกว่าทาน ระดับที่สองก็เรียกว่าศีลระดับที่สามก็เรียกว่าภาวนาการปฏิบัติทานศีลภาวนานี่เป้าหมายก็อยู่ที่การลดละความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจนั่นเองเช่นการทำทานนี้มีไว้ใช้ลดความอยากอะไรบ้างก็การลดความอยากที่จะใช้เงินทองนี้ไปหาความสุขจาก รูปเสียงกลิ่นรสผลพภะนั่นเองคือไปหากวามาสุขหาความสุขจากการได้เสพได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะชนิดต่างๆการไปหาความสุขแบบนี้ก็ไปหาความสุขแบบอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองเพราะเป็นความสุขแบบชั่วคราวเวลาได้เสพได้สัมผัสก็มีความสุขชั่วชั่วขณะหนึ่งหลังจากที่มัน ผ่านไปความสุขที่ได้จากการเสพนั้นก็หายไปหายไปพอมันหายไปก็ทาให้เกิดความอยากอยากจะเสพความสุขแบบนี้อีกถ้ายังสามารถไปเสพได้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดถึงเวลาที่ไม่สามารถไปเสพตามความอยากได้เวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา อะไรที่เป็นเหตุที่ทำให้ไม่สามารถไปเสด ร, รูปเสียงกลิ่นลดโภทภาชนิดต่างๆได้ก็คือเวลาที่ไม่มีเงินทองนี่เองเวลาไม่มีเงินทองจะไปเที่ยวไปกินไปดืม่มไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของอะไรที่ทำให้เกิดความสุขใจชั่วขณะหนึ่งพ อ, อ, อไม่มีเงินทองก็จะไม่สามารถที่จะไปซื้อสิ่งต่างๆ มาให้ความสุขได้หรือว่าถ้ายังมีเงินทองอยู่แต่สังขารร่างกายนั้นเริ่มเสื่อมลงเริ่มมีอายุมากขึ้นเริ่มมีความแก่มีความชาราไม่สามารถที่จะไปซื้อไปเที่ยวไปกินไปดื่มเหมือนกับตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวได้หรือเวลาที่มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ หรืออาจจะมีะการพิกลพิการทางร่างกายไปอย่างใดอย่างหนึ่งเวลานั้นมันก็จะไม่สามารถที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพ้าชนิดต่างๆได้หรือเวลามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในโลกนี้เช่นเวลาที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นเมื่อระยะสองปีก่อน ที่มีการล็อกดาวน์มีการปิดทุกอย่างปิดทุกสถานที่แหล่งบันเทิงทั้งหลายหลานที่ที่ไปให้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายนั้นให้ปิดหมดเพราะเป็นที่แพร่เชื้อโรคที่จะนำไปสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายได้เวลานั้นคนก็จะรู้สึกทุกข์กันมากเพราะจะต้องเก็บตัวอยู่ในบ้าน ไม่สามารถออกไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะชนิดต่างๆได้แต่สําหรับคนที่ไม่ได้ไปหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้จะไม่รู้สึกเดือดร้อนเช่นนักบวชทั้งหลายที่เขาได้เลิกการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะชนิดต่างๆเขาก็อยู่ในวดัดอยู่ในวาเป็นปกติเหมือนเดิมเหมือนกับไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมา นี่คือความแตกต่างของผู้ที่ไปเสพหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผธภัณฑ์กับผู้ที่ไม่ได้ไปเสพไม่ได้ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสแต่ไปหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งก็คือความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบถ้าทำใจให้สงบก็มีความสุขได้อยู่ในวัดได้อยู่ในป่าในเขาได้ ไม่จําเป็นนั่งไปอยู่ในบ้านอยู่ในเมืองอยู่ตามศูนย์การค้าอยู่ตามสถานบันเทิงอยู่ตามโรงแรมต่างๆเพราะว่าใจมีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่ไม่ต้องใช้ตาหูจมูกทิ่นกายความสุขที่ไม่ต้องใช้รูปเสียง ก, ก, กลิ่นรสผดสะพ้าความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินทองนี่คือสิ่งแรกที่ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ผู้ที่ยังติดกับการหาความสุขด้วยการใช้เงินทองซื้อความสุขในรูปแบบต่างๆให้ยุติการใช้เงินทองซื้อความสุขแบบนี้แล้วให้ใช้เงินทองไปซื้อความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าความสุขทางใจเงินทองนี้ก็สามารถซื้อความสุขได้สองรูปแบบซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ก็จะได้ความสุ ข, ขเวทนาแต่ถ้าเอาเงินทองนี้ไปซื้อความสุขทางใจด้วยการทำบุญทำทานอันนี้ก็จะได้ความสุขอีกรูปแบบหนึ่งมันเรียกวความสุขทางใจความเย็นใจความอิ่มใจความสบายใจซึ่งต่างจากความสุขทางเวทนาความสุขทางเวทนาเกิดจากเวลาที่ ตาหูจะมูกมิ้นกายได้ไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลัพธะที่ถูกใจก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาชั่วระยะหนึ่งแต่พอไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลัพธะที่ไม่ถูกใจสุขเวทนาก็เปลี่ยนไปเป็นทุกขเวทนาขึ้นมาก็ได้แต่ความสุขทางใจที่เกิดจากการทําบุญทำทานนี้ ไม่ได้เปลี่ยนไปตามเวทนาสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาจะอยู่กับใจไปเรื่อยๆจะหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความเย็นมีความสบายมีความอิ่มมีความพอแล้วถ้าทำบ่อยๆเข้าก็จะสามารถเลอกการใช้เงินทองเพื่อไปเสพรูปเสียงกินลดพลทพะได้าะ จะเห็นคุณค่าเห็นความแตกต่างระหว่างการใช้เงินก้อนเดียวกันนี้กับการไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายหรือไปซื้อความสุขทางใจซื้อความสุขทางใจก็ซื้อด้วยการบริจาคเงินทองให้แก่ผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนหรือให้กับผู้ที่มีพระคุณก็ได้หรือให้กับองค์กรการกุศลต่างๆก็ได้ การให้นี้แหละจะทําให้เกิดความสุขทางใจขึ้นมาซึ่งไม่ใช่เป็นความสุขทางเวทนาเวลาตาหูจมูกนิ้นกายไปสัมผัสอะไรอาจจะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาแต่คนที่ได้ทําบุญทําทานจะมีความสุขใจเย็นใจไว้ป้องกันใจได้ในระดับหนึ่งเวลาไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดท่าพ่ที่ทําให้เกิดทุกขเวทนา ใจก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนมากเหมือนกับผู้ที่ไม่มีความสุขทางใจที่เกิดจากการทำบุญทำทานอันนี้คือเป้าหมายแรกของการละความอยากคือให้เราละความอยากคือการมาสุขนี่กามาฉันทะความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะด้วยการใช้เงินทองที่เรามีอยู่กัน ให้เราถ้าเรามีเงินเหลือใช้เหลือกินแทนที่เราจะเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของหรูหราซื้อของราคาแพงๆเราก็เอาไปทำบุญดีกว่าเพราะผลลัพธ์ที่ได้ต่างกันซื้อของแพงๆซื้อของถูกอกถูกใจก็ได้สุขเวทนาชั่วเดียวเดียวเดี๋ยวพอไปเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีเข้ามาสุขเวทนาที่ได้จากการไป เสบรูปเสียงกิ่นรสที่ถูกใจก็หายไปทันทีแต่ถ้าเอาเงินไปทําบุญทําทานไปซื้อความสุขทางใจจะได้ความเย็นใจอิ่มใจสุขใจภูมิใจถึงแม้จะไปสัมผัสกับทุกขเวทนาทางตาหูจมูกนิ้วกายความสุขทางใจนี้ก็ยังอยู่กับใจต่อไปอันนี้แหละเป็นวิธีการที่ใช้เงินทองที่ฉลาด ที่ไม่เป็นโทษกับจิตใจแต่เป็นประโยชน์กับจิตใจเพราะการใช้เงินทองไปทําบุญ ท, ทาทานนี้ไม่เป็นไม่มาสร้างความทุกข์ทางใจถ้ามีเหตุการณ์ที่จะทําให้ไม่สามารถออกไปทําบุญทําทานได้ก็ไม่เดือดร้อนไม่เหมือนกับผู้ที่เสพรูปเสียงกลิ่นรสผลดพพ่พพระเสพแล้วเป็นแล้วจะติดเหมือนยาเสพติด เวลาที่อยากจะไปเสพแล้วไม่สามารถออกไปเสพได้เวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีนะนี่คือขั้นที่หนึ่งของการระ ง, งับความอยากเพื่อล่ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากในการใช้เงินทองเพื่อไปหาความสุขต่างๆการใช้เงินทองนี้หาความสุขก็ได้หาความทุกข์ก็ได้ถ้าเอาเงินทองไป ซื้อรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัพมาเสพอันนี้จะไปซื้อความทุกข์มาเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรมันไม่แน่นอนซื้อมาแล้วซื้อมาไม่นานของที่ซื้อมาอาจจะเสียก็ได้อาจจะหายก็ได้พอเวลามันหายไปมันเสียไปสุขเวทนาที่เคยได้จากมันก็จะกลายเป็นทุกขเวทนาขึ้นมาทันทีแต่การเอาไปเงินไปทำบุญทำทานนี้ ทำแล้วใจก็เย็นใ จ, จู่สบายถ้าเราทำแบบที่ไม่ยึดติด ก, กับเงินที่เราทำไปทำไปแล้วก็ให้เขาไปเขาจะไปทำอะไรอย่างไรก็ไม่ใช่เรื่องของเราเพียงแต่เราเราคิดว่าเราทำเพื่อให้เขาได้บรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนหรือทำเพื่อให้เขามีความสุขเช่นบางทีเรารักใครเราก็อยากจะให้เขามีความสุขเราก็อาจจะซื้อของขวัญให้กับเขาไป เมื่อให้ไปแล้วเขาจะไปทําอะไรกับของขวัญนั้นก็ไม่ใช่เรื่องของเราเราก็ไม่สนใจความสุขที่ได้จากการให้ของขวัญนั้นมันก็จะอยู่กับใจเราไปถึงแม้ว่าเขาจะเอาของนั้นไปขายหรือเอาไปให้ใครก็ไม่ทําให้ใจเราเดือดร้อนเสียหายแต่อย่างใดใจเราก็ยังเย็นยังสบายยังสุขได้อยู่นี่คือการใช้เงินทองเพื่อซื้อความสุขใน ในขั้นของทานให้าห่าเนาะแทนที่จะไปหาความสุขจากการไปเที่ยวกันไปกินไปดื่มกันไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของไม่จำเป็นกันซื้อของแพงๆซื้อของหรูหรากันเราก็เอาไปทำบุญกันทำบุญแล้วก็จะมีความสุขใจแล้วก็จะระงับความอยากที่จะใช้เงินไปในทางที่ไม่ถูกได้จะทำให้เรานี้ ไม่ต้องดิ้นรนคอยหาเงินอยู่เรื่อย เ, เพราะว่าถ้าเราใช้เงินตามความอยากอยากที่จะมีความสุขจากการใช้เงินทองด้วยรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันจะเป็นเหมือนยาเสพติดเสพแล้วติดจะต้องคอยเสพอยู่เรื่อยเวลาที่ไม่ได้เสพแล้วมันจะทุกข์ยิงต้องคอยดิ้นรนคอยไปหาเงินหาทองมาซื้อความสุขอยู่เรื่อย แต่ถ้าเราใช้เงินเพราะว่าใช้เงินไปทําบุญเพราะว่าเรามีเงินส่วนเกินมีเงินที่เราสามารถแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้เก็บเอาไว้เราก็ไม่ได้ใช้เราก็เอาไปทําบุญทําทานกันแทนอย่างนี้มันจะไม่มีการกดดันที่จะทําให้เราจะต้องคอยไปหาเงินหาทองมาคอยทําบุญทําทานกันอยู่เรื่อย การทำบุญทำทานนี้ต้องทำเพราะว่าเรามีเงินเหลือมีเงินเหลือใช้เหลือกินเกินกว่าที่เราจะใช้ได้เก็บไว้ก็เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้อะไรไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งกับผู้อื่นและกับจิตใจของตนเองเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยก็เป็นโทษกับจิตใจของตนเองตายไปก็เอาไปไม่ได้เรื่องของเงินทอง ก็มีทางเดียวเท่านั้นที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์กับผู้ที่ครอบครองเงินทองที่มีมากเกินเกินต่อความจำเป็นต่อการดำรงชีพก็คือเอาไปทำบุญทำทานเราจะทำให้ใจมีความสุขมีความสบายใจที่มีความสุขมีความสบายขึ้นนี้เรียกว่าได้พัฒนาขึ้นได้ขึ้นจากระดับของมนุษย์ขึ้นไปสู่ระดับของเทวดาต่อไป ระดับของสวรรค์สวรรค์เกิดจากการทําบุญทําทานเพราะใจจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นกว่าปกตินั่นเองมากกว่าตอนที่ไม่ได้ทําบุญทําทานเวลาได้ทําบุญทําทานแล้วจะมีความสุขใจเพิ่มขึ้นมีความอิ่มใจเพิ่มขึ้นความสุขใจอิ่มใจที่เพิ่มขึ้นนี่แหละเป็นคุณสมบัติของเทวดาของผู้ที่มีความสุขอันนี้คือประโยชน์จากการทําทาน เป้าหมายหลักก็คือให้เราตัดความอยากความอยากที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับใจคือความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดสพะความอยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนีอ่อย่าไปหาความสุขแบบนี้เพราะมันจะกลายเป็นความทุกข์เวลาที่ไม่สามารถที่จะเสพมันได้และจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วเพราะร่างกายที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะหมดสภาพไปในวันใดวันหนึ่งหรือไม่เช่นนั้นเงินทองที่เราเคยมีใช้ก็อาจจะหมดไปก็ได้แล้วเวลานั้นใจก็จะมีความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายมีความรู้สึกเศร้าส้อยง้อยเหงาไม่มีความสุขแต่ใจที่ได้ทำบุญนี้บุญที่อยู่ในใจนี้มันจะอยู่ไปเรื่อย ถึงแม้ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะเป็นอะไรบุญที่มีอยู่ในใจก็ยังเป็นบุญอยู่นั่นยังเลายังหล่อหล่อเลี้ ย, ง, ย, ง, ย, ง, ยงจิตใจให้มีความรู้สึกเย็นสบายไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจเหมือนกับผู้ที่ไม่ได้ทำบุญนี่คือวิธีละความอยากขั้นที่หนึ่งลดความอยากให้น้อยลงเวลาอยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรดด้วยการใช้เงินทองก็เอาเงินทองนี้ ไปทำบุญทาทานดีกว่าการทำบุญทาทานนี้ก็สามารถทำได้หลายวิธีด้วยกันคือเป้าหมายหลักก็คือให้เราแบ่งความสุขของเราแบ่งเงินทองที่ให้ความสุขกับเรานี้ให้กับผู้ที่เขาไม่มีจะเป็นใครก็ได้แต่ในเบื้องต้นเราก็ควรที่จะทำกับผู้ที่มีพระคุณกั บ, กบเราก่อนเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้ที่มีพระคุณ เราต้องการจะตอบแทนพระคุณในเวลาที่เรามีความสามารถที่จะทำได้ถึงแม้ว่าท่านจะไม่เดือดร้อนท่านไม่ต้องการความชื่นหรือก็ไม่เป็นไรขอให้เราได้ทำเป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีได้ทาบุญกับผู้มีพระคุณนี้จะมีความรู้สึกมีความสุขใจอิ่มใจมากกว่าทำกับคนที่ไม่มีพระคุณเบื้องต้นจึงให้เราไปทากับผู้ที่มีพระคุณกับเรา พ่อแม่แล้วต่อไปก็ครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมทางธรรมก็คือครูบาอาจารย์พระพุพพทธพระธรรมพระสงฆ์พระพระผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทําบุญกับวัดกับวากับศาสนาเพราะวัดวาอารามศาสนาก็เป็นที่พึ่งทางใจของพวกเราถ้าไม่มีศาสนาเราก็จะไม่มีใครมาสอนให้เรารู้จักวิธี สร้างที่พึ่งทางใจวิธีกำจัดความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไปจากใจของเราได้นั้นสิ่งที่เราต้องทำกันก็คือเราต้องพยายามรักษาสถาบันของพระพุทธศาสนาให้อยู่อย่างยั่งยืนต่อไปให้อยู่ทาหน้าที่เผยแผ่ธรรมะคำสอนอ น, นประเสริฐที่เป็นที่พึ่งทางใจให้แก่สรมโลกอย่างพวกเราทั้งหลาย เพื่อพวกเราจะได้อยู่กันอย่างไ้ร่มเย็ยนเป็นสุขไม่ต้องไม่จำเป็นจะต้องเบียดเบียนกันอันนี้ก็คือการทําบุญทําทานสาหรับชาวพุทธเราเราก็มักจะมุ่งไปที่สองคนแรกก่อนก็คือบิดามารดาแล้วก็มุ่งไปที่พระศ า, ศาสนาไปที่วัดวารามต่างๆไปทํานุบารุงพระพุทธศาสนา ให้มีพระสงฆ์องค์เจ้ามาบวชกันมาศึกษากันมาปฏิบัติธรรมกันมาบรรลุธรรมกันเมื่อบรรลุธรรมแล้วก็จะได้ น, านทำาธรรมที่ได้บรรลุนี้มาเผยแพร่สั่งสอนให้กับผู้ที่ไม่รู้ต่อไปอันนี้เป็นวิธีการของการสนับสนุนให้พระพุทธศาสนาได้อยู่อย่า ง, ย, างยั่งยืนเป็นที่พึ่งของทางโลกไปของทางโลกไปนานๆนั่นเองถ้าไม่มีการสนับสนุน พระพุทธศาสนาไม่มีการทำบุญกับพระพุทธศาสนาก็จะเป็นผู้ที่มาบวชก็จะอยู่อย่างยากลำบากก็ จ, จะไม่มีใครอยากจะมาบวชกันเมื่อไม่ไ ม, ไม่ไม่มาบวชก็ไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุธรรมไม่มีการเผยแผ่ธรรมถ้าไม่มีการศึกษาปฏิบัติบรรลุหรือเผยแผ่ธรรม ต่อไปคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะจางหายไปจากโลกนี้จะไม่มีใครรู้ว่าวิธีของการดับความทุกข์ทางใจนั้นดับกันได้อย่างไรนี่คือการทําบุญว่าทําไมชาวพุทธเราถึงมักจะไปทําบุญที่วัดกันก่อนแต่ถ้าสมมุติว่าทางวัดทางศาสนานี้มีพร้อมเพรียงแล้วมีเหลือเฟือแล้วเราก็แบ่งไปทําทางทางอื่นก็ได้ ทางการพยาบาล ร, รักษาโาครคภัยไข้เจ็บของผู้ที่เขาอดอยากตกทุกข์ได้ยากก็ได้หรือไปสงเคราะห์คนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองก็ได้เช่นคนชราคนพิการหรือเด็กกำพร้าอะไรต่างๆเหล่านี้สามารถทำได้หลายรูปแบบ ด, ด้วยการการทำบุญทําทานแต่เป้าหมายคือผลที่ได้รับก็เหมือนกันก็คือได้ความสุขใจอิ่มใจ แล้วได้สกัดความอยากที่จะเอาเงินไปใช้ไปใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิก้นกายเป็นบุญเหมือนกันนะเป็นความสุขใจอิ่มใจที่ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นจากการเป็นมนุษย์ขึ้นไปเป็นสู่การเป็นเทวดาได้นะนี่คือการอะไรับดับความอยากขั้นที่หนึ่งก็ด้วยการทำทาน ด้วยการเอาเงินทองที่เราจะไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายไปทําบุญแทนเห็นเราจะไปซื้อของที่ไม่จำเป็นต้องซื้อเห็นของสวยของชอบในร้านพอนึกได้ว่าถ้าจะใช้เงินแบบนี้เอาเงินไปทําบุญทําทานดีกว่าแล้วต่อไปเวลาไปเห็นของสวยของงามของชอบจะรู้สึกเฉยเฉยจะไม่รู้สึกอยากจะซื้อเพราะถ้าเราฝืนความอยากได้แล้วต่อไปความอยากมันก็จะไม่เกิด ถ้าเราจะซื้ออะไรก็ขอให้ซื้อด้วยเหตุด้วยผลคือว่ามันจําเป็นต้องมีจริงๆของที่จําเป็นจะต้องใช้ก็ต้องใช้ต้องมีก็ต้องซื้อมาแต่ของที่ไม่จําเป็นของที่เรามีอยู่แล้วเช่นเสื้อผ้าเรามีอยู่เต็มตู้แล้วเราไปซื้อมาใหม่ๆ ม, ม, มาอีกทําไมมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรตกต่างไปเสียเงินเสียทองเปล่าประโยชน์เรียกว่าควรเอาเงินที่ใช้แบบนี้ไปทําบุญทาทานดีกว่า ได้ประโยชน์กว่าได้ความสุขใจอิ่มใจได้ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นและได้ตัดความอยากที่จะพาให้เราไปหาความไปเจอกับความทุกข์ต่อไปนั่นเองนี่คือเรื่องของการละความอยากในระดับของทานสำหรับผู้ที่มีอันจะกินหรือผู้ที่มีเหลือกินเหลือใช้สำหรับผู้ที่ไม่มีเงินทองก็ไม่ต้องกังวลถ้าไม่มีกาลังที่จะทาบุญทาทานได้ก็ไม่ต้องไปกังวล เพราะมีวิธีอื่นเพราะว่าถ้าเราไม่มีเงินทองเราก็ไม่เราก็จะไม่ได้ไปเลี้ยงความอยากนั่นเองเพราะมันความอยากที่จะใช้เงินทองมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ความอยากที่จะใช้เงินทองไปซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จำเป็นไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะไม่เกิดเพราะมันไม่มีเงินทองมาล่อใจนั่นเองงั้นคนที่ไม่มีเงินทองที่จะไปทาบุญทาทานก็ไม่ต้องกังวลยังมี ยังมีการกระทำละความอยากขั้นที่สองและขั้นที่สมที่เรายังสามารถทำได้อยู่เพราะการละความอยากขั้นที่สองที่สนี้ไม่จำเป็นต้องมีเงินทองต้องใช้เงินทองต้องเกิดจากการปฏิบัติฝืนความอยากเช่นเวลาที่เราอยากจะทำร้ายผู้อื่นด้วยวิธีการใดวิธีหนึ่งทำความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นด้วยการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเพณี หรือด้วยการโกหกหลอกลวงอันนี้ก็เป็นการกระทำด้วยความอยากเหมือนกันทำแล้วมันก็จะทำให้ใจเราทุกข์ขึ้นมาเราก็อยากไปทำมันเรามาลาักความอยากด้วยการรักษาศีลถ้าเรารักษาศีลได้เราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดไม่เสพของมึนเมาอันนี้เราก็จะลากความอยากที่จะไปทาของที่ไม่ดีได้ เพราการกระทำบาปนี้มันมีมันมีโทษต่อจิตใจมันเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจนั่นเองเราไม่ต้องการความทุกข์ใจเงี้ยถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์ใจเราก็ระงับความอยากระงับความอยากไปทําบาปกันเวลาอยากจะไปทําร้ายผู้อื่นก็หยุดมันให้คิดถึงผลที่จะตามมาคือความทุกข์ใจร้อนใจไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเพณี พูดโสดโกโหกหลอกลวงหรือการดื่มสุรายาเมาอันนี้เมื่อดื่มไปแล้วก็จะทำให้เกิดอาการมึนเมาขึ้นมาขาดสติไม่สามารถยับยั้งเวลาเกิดความอยากที่จะไปทําบาปได้ mm hmm. ก็เลยต้องมีการห้ามดื่มสุราด้วยซึ่งความจริงการดื่มสุราตามําทางมันยังไม่เป็นการกระทําบาปแต่มันจะนำไปสู่การกระทําบาปที่ง่าย คนที่มึนเมาแล้วมักจะทำอะไรไม่ดีง่ายกว่าคนที่ไม่มึนเมาพระพระเจ้าก็เลยต้องห้ามการดื่มสารยามาไวเพื่อจะได้ทำให้การไม่ทำบาสนี้การรักษาสีนี้ง่ายขึ้นการถ้าเรารักษาสีได้ไม่ทำบาตได้ใจของเราก็จะได้รับประโยชน์คือความทุกข์ก็จะน้อยลงไปความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเอง เวลาที่เราทำบาปนี่สังเกตดูที่ใจเราใจของเราจะทุกข์จะร้อนขึ้นมาจะไม่สบายใจเพราะว่าเราก็กลัวว่าจะต้องถูกจับไปลงโทษหรือถูกประนามว่าเราเป็นคนไม่ดีก็ได้อันนี้มันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาได้แล้วก็ถ้าเราทำบ่อยๆทำมากๆนี้มันก็จะดึง ดึงจิตใจของเราให้ตกต่ำกว่าความเป็นมนุษย์เวลาที่เราตายไปนี้ถ้าเราทำบาปมากกว่าเราได้ทำบุญบาปนี้แหละจะเป็นผู้ที่จะดึงให้เราไปเกิดในอบายต่อไปไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนสุรกายบ้างไปนรกบ้างอันนี้เกิดจากความการเกิดจากการกระทำบาปเกิดจากการมีความอยากที่จะกระทาบาป ถ้าเราไม่มีความอยากจะกระทำบาปเราก็จะไม่ได้กระทำบาปในวิติจะทำให้เราไม่มีความอยากจะทำบาปเราต้องมีคิริโอตปะฮิรีก็คือความละอายของการกระทำบาปและโอตปะคือการเกรงกลัวของกลัวผลของบาปที่จะตามมามมการทาบาปนี่มีโทษทางโลกก็ทาบาปผิดกฎหมายก็อาจจะตับไปถูกจับไปติดคุกติดตารางได้ หรือมากกว่านั้นก็อาจจะถูกประหารชีวิตได้คนจึงไม่ค่อยกล้าทำผิดกฎหมายกันเท่าไหร่เพราะกลัวที่จะถูกไปจับติดคุกติดตารางแล้วก็กลัวจะเสียชื่อเสียงว่าคนที่ทำผิดกฎหมายคนที่ติดคุกติดตารางนี้สังคมเขาจะรังเกียจจะไปอยู่ที่ไหนกับใครเขาก็จะไม่อยากจะคบค้าสมาคมด้วยคนที่ไปติดคุกติดตารางมาแล้วนี่เวลาไปสมรัรงาเนี่ยถ้าไปถ้าคนที่เขา เขาเขารับนี่เขารู้ว่าติดคุกติดตารางนี้บางทีเขาก็จะเปลี่ยนใจ ท, ทันทีเพราะเขาไม่ไว้ใจคนที่ทําผิดกฎหมายคนที่ทําบาปเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้ในเราถ้าเราไม่อยากจะทําบาปเราต้องคิดถึงผลของการกระทําบาปที่จะเกิดขึ้นคือให้มีความอายอายว่าเพราะคนที่ทําบาปนี้จะเป็นคนที่สังคมรังเกียด อยากเข้าสังคมจะคบค้าสมาคมกับใครไม่ได้หรือได้ยากอยากคบได้ก็กับพวกที่ทำบาปด้วยกันเท่นั้นแต่พวกที่เขาเป็นคนดีคนที่ซื่อสัตย์สุจริตนี้เขาก็ไม่อยากที่จะคบค้าสมาคมกับคนที่ทำบาปคนที่ทำผิดกฎหมายถ้าเรามีความคิดอย่างนี้เตือนใจว่าอย่าทำทำบาปแล้วได้ไม่คุ้มเสียอาจจะได้ความรู้สึกที่ดีชั่วครู่หนึ่ง ได้ร้านแค้นเวลาใครก็ทำทำให้เราโกรธแค้นเราได้ร้านแค้นเราจะรู้สึกสุขปั๊บเดียวแต่ผลที่จะตามมาต่อมานี้มันมากกว่าได้ไม่คุ้มเสี ย, ยจะเป็นจะเป็นคนที่สั ง, สงคมรังเกียจจะหาบิทคบยากจะคบคนได้ยากจะร่วมทำอะไรกับใครก็ได้ยากแล้วนอกจากนั้นตายไปใจก็จะลงต่ำใจจะถูก กฎแห่งกรรมมาดูแลอีกขั้นหนึ่งกฎแห่งกรรมก็คือนี่แหละทาบาปก็จะไปสู่อบายอบายก็มีอยู่สี่สถานเกิดจากเหตุผลของการทำบาปซึ่งไม่เหมือนกันถ้าทำบาด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ท่านบอกว่าไปเกิดเป็นเดรัจฉานถ้าทำบาบด้วยความโลภไปเป็นเปรตถ้าทำบาบด้วยความกลัวไปเป็นนสุลกาย ถ้าทำบาปด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทก็ไปนรกนี่คือผลที่จะตามมาดังนั้นวิธีที่เราจะรักษาสิงกันได้ก็คือเราต้องมีฮิริโอตตะคือรู้ถึงผลของการทำบาว่าจะทำอะไรให้เกิดขึ้นจะทำให้เราเป็นคนที่น่าอับอายขายหน้าเราถ้าเรามีความฮิริมีความอับอายขายหน้าเราก็จะเราก็จะไม่อยากจะทำบา แล้วคิดถึงผลที่จะตามมาซึ่งผลทางโลกอาจจะไม่เกิดก็ได้ทําผิดกฎหมายอาจจะหลบซ่อนได้หลบหลีกได้หรือซื้อวิธีเอาเอ า, เอาความผิดให้กลายเป็นความถูกก็ได้อย่างนี้แต่แต่ผลทางกรรมนี่มันไปเปลี่ยนไม่ได้นะวิบากทางกรรมนี่มันเป็นของอัตโนมัติกฎแห่งกรรมนี่ซื้อไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ ควชื่วก็ต้องได้รับผลของความชั่วเพียงอย่างเดียวนี่ก็คือวิธีอีกวิธีหนึ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาระนับกําจัดความทุกข์ทางใจกันแล้วความทุกข์ทางใจที่เกิดจากการทําบาปจะไม่เกิดขึ้นสําหรับผู้ที่ไม่ทําบาปแล้วขั้นที่สวิธีการดับความทุกข์ที่ยังมีหลงเหลืออยู่เราดับความทุกข์ที่เกิดจากความใช้เงินทองไปซื้อ ของต่างๆด้วยการทำบุญทำทานได้แล้วเราดับความอยากความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปได้แล้วแต่ยังมีความอยากอย่างอื่นที่เราที่การทำทานการรักษาศีลนี้ยังไม่สามารถดับได้ก็คือยังมีความอยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความต้องการของเราอยู่ยังมีความอยากให้ร่างกายของเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยู่อย่างนี้เป็นต้น อยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่เรื่องของศีลเรื่องของทานนี้ระ ง, งับความอยากแบบนี้ไม่ได้ต้องอาศัยการปฏิบัติขั้นที่สามที่เรียกว่าการภาวนาการภาวนานี้ก็คือการมาควบคุมจิตใจสอนจิตใจให้ฉลาดเพื่อให้จิตใจวางเฉยให้ได้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปอยากนั้นมัน เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการได้เสมอไปบางเวลาเราก็สั่งได้บางเวลาเราก็สั่งไม่ได้เวลาที่เราสั่งไม่ได้มันก็จะทำให้เราทุกข์ใจเครียดเครียดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเราต้องมาหาวิธีที่จะหยุดความอยากต่างๆที่หลงเหลือนอก น อ, นอกเหนือจากสิ่งที่กำความอยากที่ละ ง, งับด้วยการทาบุญทาทานและการรักษาศินไปแล้วก็มาระ ง, งับส่วนที่ยังเหลืออยู่ด้วยการภาวนา mm hmm. การภาวนานี้ก็มีแบ่งเป็นสองขั้นตอนขั้นตอนแรกเรียกว่าสมถะภาวนาคือหยุดความอยากแบบชั่วคราวก่อนด้วยการทำใจให้สงบนิง่งเพราะเป็นวิธีที่ง่ายกว่าและเป็นวิธีที่ต้องทาก่อนก่อน ว, วิธีที่สอง วิธีที่สองเรียกว่าวิปัสนาภาวนาคือการสอนใจให้ฉลาดสอนใจให้รู้ว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ให้ปล่อยวางแต่จะปล่อยวางได้ก็ต้องมีวิธีหนึ่งเป็นผู้สนับสนุนก็คือมีสติที่จะสามารถระงับหยุดความอยากได้ปัญญาหยุดความอยากเองไม่ได้ปัญญาเพียงแต่สอนใจให้รู้ว่าไม่ควรจะไปอยากเท่านั้นเอง เพราะความอยากจะนำไปนาพาไปสู่ความทุกข์ได้ <Yeah. S 1> เหงนั้นเบื้องต้นการที่จะมาหยุดความอยาก mm hmm. แบบชั่วคราวได้ก็ต้องมีการเจริญส ม, มถะภาวนาทําใจให้สงบใจนี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์รถยนต์ที่วิ่ง เ, เวลาที่จะหยุดนี้จำเป็นจะต้องใช้เบรกถ้าไม่เหยียบเบรกรถก็จะไม่หยุด <Yeah. S 1> เวลามาถึงที่จะจําำเป็นจะต้องหยุดเช่นสี่แยกไฟแดง ถ้าไม่มีเบรกเบรกแตกรถก็จะต้องฝ่าไฟแดงไปแล้วก็จะต้องเกิดอุบัติเหตุตามมาต่อไปเพราะเบรกเสียสันใดใจก็เป็นเหมือนรถยนต์ใจก็เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาความเคลื่อนไหวของใจก็คือความคิดต่างๆนี่วันหนึ่งนี้ตั้งแต่เราตื่นขึ้นมานี่เราแทบจะไม่ได้หยุดคิดเลยคิดเรื่องนั้นแล้วก็คิดเรื่องนี้คิดเร่งน้ต่อไปเรื่อยๆคิดแล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมา ดีใจบ้างเสียใจบ้างทุกใจบ้างวุ่นวายใจบ้างอันนี้แหละเป็นตัวที่มันมาสร้างปัญหาต่างๆแล้วก็เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาคิดถึงคนนั้นก็อยากจะไปเจอเขาคิดถึงเรื่องนั้นก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นอย่างตามที่ต้องการก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าหยุดความอยากได้หยุดความคิดได้ความอยากต่างๆเหนี้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่เข้ามาในใจเราใจเราเป็นเหมือนบ้าน บ้านเราถ้าเราไม่เอาของที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาในบ้านมันก็ <c oughs> ไม่มีพิษมีภัยถ้าเราเอางูเข้ามาเอาสิงสารสัตว์เข้ามาในบ้านมันก็เป็นอันตรายกับคนอยู่ในบ้านได้แต่ถ้าเราปิดประตูกั้นไว้ไม่ให้สิ่งที่เป็นภัยเข้าบ้านได้บ้านเราก็จะปลอดภัยใจเราก็เหมือนกันเนี่ยแต่แต่ละวันเรามักจะเอาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาในใจเราอยู่เรื่อยๆคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ กแล้วก็ไม่สบายใจไม่พอใจบางทีก็เดือดเป็นเดือดเป็นแค้นขึ้นมาทั้งที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของเราเสียด้วยซ้ําไปแต่ก็อดชี้จะคิดไม่ได้พอคิดแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาเห็นเบื้องต้นนี้เรามาฝึกวิธีหยุดคิดกันก่อนถ้าหยุดคิดแล้วใจจะว่างเหมือนกับไม่มีอะไรในห้องในใจน มันก็ไม่มีของที่เป็นอันตรายต่อต่อบ้านของเราเราพอเราปิดประตูบ้านไม่ให้เอาสิ่งต่างๆที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาเราก็จะอยู่ในบ้านอย่างปลอดภัยใจของเราก็เป็นอย่างนั้นเราควรที่จะพยายามาสร้างความปลอดภัยให้กับใจของเราด้วยการหยุดความคิดต่างๆวิธีการจะหยุดความคิดนี้ก็ต้องอาศัยการจเจริญสติเพราะสตินี่แหละเป็นผู้ที่จะสามารถหยุดความคิดต่างๆได้ ถ้าไม่มีสติใจก็จะคิดเรื่อยเปื่อยไปเหมือนกับรถยนต์ที่ไม่มีเบรกรถยนต์ก็จะวิ่งไปเรื่อยๆจะหยุดก็ต่อเมื่อมันไปชนต้นไม้หรือไปตกหลุมตกเหวท่านั้นมันถึงจะหยุดวิ่งได้ใจก็เหมือนกันใจมันไม่มีวันหยุดได้จะหยุดก็ต่อเมื่อเรามีสติหรือเวลาที่มันหลับไปท่านั้นเองบางทีมันหลับมันก็หยุดคิดไปสักระยะหนึ่งแต่มันก็ไม่หยุดตลอดบางทีนอนหลับไปมันก็ฝันขึ้นมาอีก ความฝันนี่ก็เป็นความคิดเหมือนกันดงั้นยากใจของเราที่จะให้มันไม่คิดนี่มันเป็นสิ่งที่ถ้าไม่มีสติแล้วมันเป็นไปไม่ได้ดงนั้นเราต้องพยายามมาฝึกสติกันการเจริญสติเพื่อทำให้จุดให้ใจนิ่งสงบนี่เรียกว่าสมาธิหรือสมถะ ภ, ภาวนาการสร้างความความสงบให้กับใจเพราะถ้าเราสามารถหยุดความคิดได้ใจเราจะนิ่งจะเย็นจะสบายมีความสุข แราเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่เหนือกว่าสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้มันจะทำให้เรานี้สามารถที่จะหยุดความอยากต่างๆได้ถ้าเรามีความสุขทางใจที่เรามีความอยากเพราะเราอยากจะได้ความสุขจากสิ่งที่เราอยากนั่นเองแต่สิ่งที่เราอยากได้มบางทีมันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าไปอยากแล้วแทนที่จะได้ความสุขกับกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา อย่าไปอยากได้ความสุขจากสิ่งต่างๆให้มาหันมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบดีกว่าเพราใจถ้าใจเราสงบแล้วใจเราจะปล่อยวางได้ใจเราจะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่า ง, างๆกับบุคคลต่างๆหรือกับหรือกับเรื่องราวของร่างกายของเราเรื่องร่างกายของเราจะแก่จะเจ็บจะตายมันก็จะไม่มาสร้างความทุกข์ใจให้กับเรา ถ้าเราสามารถทำใจให้สงบนิ่งได้ทุกครั้งที่เราทุกข์กับร่างกายของเราเช่นพอไปคิดว่าร่างกายเราจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาก็เครียดขึ้นมาถ้าเราทาสมาธิเป็นเราก็หยุดความคิดทั้งเสียเข้าไปในสมาธิทาใจให้นิ่งพอใจในิ่งแล้วความทุกข์ที่เกิดจากความคิดเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายมันก็จะหายไปแต่ความความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่หายมันเป็นธรรมดาของร่างกาย ที่มันแม้แต่หมอเทวดาก็รักษาไม่ได้เรื่องความเจ็บไข้พระพุทธเจ้าก็ต้องเจ็บต้องตายแต่ใจของพระพุทธเจ้านี้ไม่ทุกข์กับความเจ็บความตายของร่างกายเพราะท่านรู้จักวิธีทมสมาธิท่านสามารถหยุดความคิดเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายได้พอท่านไม่คิดถึงร่างกายความทุกข์ของร่างกายก็ไม่เข้ามาในใจใจก็ไม่ทุกข์กับร่างกายอันนี้เป็นวิธีแรกคือการทาใจให้สงบ แต่เราก็ไม่สามารถเข้าไปในสมาธิได้ทั้งวันทั้งคืนเวลาบางทีเราก็ต้องออกมาจากสมาธิเพื่อมาทางานทาการทำอะไรทำธุระอะไรต่างๆใจก็จะไปคิดถึงร่างกายก็ได้คิดว่ามันเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะทุกข์ขึ้นมาอีกวิธีที่จะทำให้ไม่ทุกข์ในขณะที่ไม่อยู่ในสมาธิก็ให้ใช้ปัญญาหรือวิปัสสนา ให้พิจารณาว่าร่างกายนี่เป็นสิ่งที่เราบังคับมันได้หรือเปล่าคอนโทรลมันได้หรือเปล่าสั่งให้มันไม่เจ็บไม่ตายได้หรือเปล่าถ้าสั่งได้ก็สั่งไปเลยถ้าสั่งไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายเพราะเราไม่เราไม่สามารถไปห้ามมันได้ถ้าเราไปอยากให้มันไม่เจ็บไม่ตายมันจะทําให้เราเครียดจะทําให้เราทุกข์ซึ่งความทุกข์ทางใจนี่มันทุกข์รุนแรงกว่าความทุกข์ทางร่างกาย ทุกที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยซี่เมื่อเราเปรียบเทียบถึงความทุกข์สองงานแล้วเราก็เลือกเอาความทุกข <Yeah. S 1> er si right. ์ทางใจดีกว่าดับความทุกข์ทางใจดีกว่าเพราะดับได้ความทุกข์ทางใจเกิดจากความอยากของเราเราหยุดความอยากนี้ได้ปั๊บความทุกข์ที่ทรมานใจหายไปหมดเลยเหลือแต่ความทุกข์ทางกายที่ไม่รุนแรงที่มันรุนแรงไม่ใช่ความทุกข์ทางร่างกายมันรุนแรงที่ความทุกข์ทางใจ พอเราดับความทุกข์ทางใจได้แล้วความทุกข์ทางร่างกายนี้เป็นของที่ใจไม่เดือดร้อนสามารถอยู่กับมันได้ไปจนถึงวันตายอันนี้เขาเรียกว่าปัญญาวิปัสสนาคือให้เห็นสิ่งที่เราไปทุกข์ด้วยว่ามันเป็นอนิจจังอนัตตาเราไปควบคุมบังคับมัไม่ได้มันเจริญแล้วมันต้องเสื่อมเป็นธรรมดามันเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันแล้วใจของเราก็จะไม่ทุกข์ นี่แหละคือวิธีการดับทุกข์ที่พระเจ้าได้ทรงศึกษาได้ทรงปฏิบัติด้วยตนเองมาก่อนเมื่อได้สำเร็จเห็นว่ามีคณมีประโยชน์กับพระองค์เองก็เลยนำามามาเผยแพ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ยังมีความทุกข์กันอยู่ผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์บรรลุเป็นพระอรหันต์ตามพระพุทธเจ้าได้เป็นจานวนมากแล้วก็เป็นที่มาของพระพุทธศาสนา เพราวาเมื่อมีคนหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะนำความข่าวดีอันนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ยังติดผู้ที่ยังทุกข์อยู่อเพื่อผู้ที่ทุกข์ได้ยินได้ฟังได้นำมาไปปฏิบัติก็สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้พระพุทธศาสนาของเราก็เลยมีการเจริญเติบโตมานับตั้งแต่วันแรกที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้พราอานาจของ ของพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่สามารถสามารถดับความทุกข์ทางใจได้นี่เองที่เป็นเครื่องหนึกงดูดให้กับสรรโลกทั้งหลายเข้าหาพระพุทธศาสนากันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เราเรียกว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งทางใจไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถดับความทุกข์ทางใจได้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เท่านั้นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์อยากจะหลุดพ้นจากการ ที่จะต้องมาเจอกับความทุกข์อยู่เรื่อยๆก็ขอให้น้อมเอาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือของพระอริยสงสาวกมาศึกษาแล้วนําเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเราก็จะได้ผลที่เกิดจากการปฏิบัติเราจะเห็นความทุกข์ต่างๆที่เคยมีอยู่ในใจของเรานี้ลดน้อยถอยลงไปตามลําดับจนไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจอีกต่อไปนี่คือประโยชน์ของพระรัตนตรัยที่พึ่งทางใจที่เอามาฝากท่านในวันนี้ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาทาวาเรวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตุทินังเปตานาังอุ ป, ปกปฏิอิชิตังปฏิตังตุนหังคิดเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปันะระโสยธามนิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาธนสีนิสานิจังวุทฐาปจายโน จตารธรร ม, มวทฏนติอายุวนันโสุขงภาลังเนื่องจากฝนฟ้าอากาศไม่อำนวยเดี๋ยวฝนอาจจะตกทันทีขึ้นมาก็อาจจะไม่มีการถามตอบคำถามของวันนี้เพียงแต่อยากจะให้แจ้งให้ทราบว่าวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ พระเยนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมานาขุดจากทางเฟ e บุ o กพระอาจารย์สุชาติทั้งหมด477 YouTube พระสุชาติไลฟ์303 YouTube ด r บ c ช a n n e l 131วิทยุออนไลน์8ครับเฮา14หนาขุด192รวมทั้งหมด 1,125 ท่านค่ะคก็คือ ว, วันนี้พอสมควรแก่เวลากับเหตุการณ์